บทที่เด็บให้นาลยกูขอร้องให้ทำอะไรบางอย่างอดกามคุณช่วยตัดผมให้ดิฉันได้ไหมคะมีรนาจุ ต, กตุกัตเรนเชกละะอย่าให้สั้นเกินไปนะคะ มารีตักโวกาคาดูสั้นอีกนิดนะคะกัญชม์พอติกาเฉยนีช่วยล้างรูปให้ได้ไหมคะมีเดียปิกเจอร์ลูเตียกันล ะ, ร, ะรูปอยู่ในซีดีค่ะปิกเจอร์ลูซีดีเลอนในรูปอยู่ในกล้องค่ะปลกเกเมรา่าเลใน ช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมคะมีรเ ก, ก๋ไก่รในบ้านาเจ๊กัรกระจบแตกอดมันวิ่งกี่อินดีแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่อีกอินดีช่วยรีเสื้อตัวนี้ให้ได้ไหมคะมีรถจักรไก่ใวิสตรีเจ๊กันเลนะ ช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมคะแปนแล้วนี่ยสุพรพจักรเลยนะช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมคะมีเดชูแล้วในบอกเจกันเลยนะขอต่อบุหรี่หน่อยได้ไหมคะมีวัตถุปฏิวัติไหคคุณมีไม้ขีดหรือไฟแช็กไหมคะ มีวัตถะอักเกะเป็นตรกานีไลท์อร์กานีอุนนยคุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมคะมีวัตถะอสเวุนดะคุณสูบซิก้าไหมคะมีรูซิการลตากุทาระคุณสูบบุหรี่ไหมคะมีรูสิการ์ดลตากุทาระคุณสูบไป์ไหมคะ มีรูปไผ่หนึ่งเป็นลัก